พอเพลินไปสักพักเป็นไงถ้าเพลินไปสักพักช้าเร็วก็เพลินอีกช้าใหม่มเนช้าใหม่ม่ช้าใหม่ช้าก็ชักเพลินนี่ะทีนี้ทำไงทีนี้ก็ถอย เปลี่ยนเยียบปวถอยหลังในส่วนใหญ่จะง่วงไหมไม่วโตะตแต่ทาไมตอนที่ง่วงมันนึกไม่ได้ใช่ไมตะตอวที่ง่วงทาไมไม่รู้ถอยหลังเลยอ่ะต้องถามยายอะไรเออนี่ยายนี่โอ้โหให้ให้มาล้างผักเพื่หายง่วงเร็วงั้นตอนบ่ายไม่ยอง่วงเลยเนมั้งตลาดใช้ไม่บอกพีมี อันฟุ้งีล้างตอนเช้าตอนเย็นตนหว้นี่ทำไมไม่ไม่ก้างง่วงนะพอมานี่หินก้อนใหญ่ตัวนี้นะถ้าหากว่าง่วงตัวนี้จะให้ยกหินก้อนนี้ให้ได้ยกไม่ได้ต้หาไม้มงัดอยู่งนต้องยกให้ได้ว่านจับตาดูอยู่าารให้แฟสักแก้วแล้วทโอ้โหเนะแฟสักแก้วนี่แสดงว่าติดแว่าติดกาแฟ It has a coffee addiction. <laughs> a coffee addiction very really dangerous for for a w a k e n i n mind. <laughs> you are mind not can not. You wake because of the uh, coffee addiction. It's not awake from the uh, mindfulness. <laughs> so uh, the addiction. s i n g l i r s i n g l i a k Go a k Go c Go o Go back. Go b o b a c Go b a a c k Go b g o Go back. o o g เงาพอฟีนา้าก็ต้องมาใช้วิบาก์ต่ออีกก็จะเดินไปกลับไปกับไม้ <นะ S 2> ไม่ละวามันะคงมีโยมคนหนึ่งมีโยมคนหนึ่งอยู่ชิคาโกเอามาไปดูแกวันนั้นอายุแปดสิบจะเก้าสิบหรืมั้งแกขยันปฏิบัตินะแต่พอปฏิบัติได้อารมณ์ดีมาแกก็ไปหายเสื่อหวยอ <laughs> พอปฏิบัติมาได้อารมณ์ดีแกก็ไปหายซีรัตเตอรี่ วันนั้นไปทากัไปเยี่ยมแกอยู่ที่เชียรโก้นะแกก็เป็นพยาบาลเหมือนโยมนี่แหละแกอายุเท่าไหร่เก้าสิบเนาะเก้าสิบสามแล้วแกอยู่ได้รที่อายุยืนเนี่ยเพราะเจริญสติแต่ที่ไม่บรรลุธรรมเพราะไปซื้อลอตเตอรี่อายุยืนแต่ไม่บรรลุธรรมมันทรมานมากกว่าใช่ไหมก็นอนหูก็เึงไปไหนก็ไม่ได้นอนวิ่งช่มันก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งบาปนะ เออยัมีความโลภอยู่เออยังมีความโลภกวนดวงอยู่แต่ที่เป็นเหตุให้อายุยืนก็เพราะเจริญสติแต่เป็นเหตุที่ไม่ผลกบโลกกวนงไม่ได้ก็เพราะซีรัลต์ลี่เพราะฉะนั้นอันนี้กันก็สุขภาพดีเหมือนกันนะแต่ว่ายังบรรลุธรรมไได้พราตีกาแฟนะเออจะเอายังไงถ้าเลิกกาแฟได้ทั้งสองอย่างด้วยอายุยืนด้วยรู้ธรรมะด้วยมันมันมีมาด้วยกันเน่ย มันกฎธรรมชาติมันมันยุติธรรมจะตายไปส่วนดีเขาก็ให้เรามาส่วนไม่ดีเขาก็ให้เรามาถ้าเราจะเอาทั้งสองมันก็ต้องเลิกส่วนที่ไม่ดีให้ได้ <c oughs> อ้าวต่อไปข้ออันนี้ได้ข้อที่พอใจสบายไม่สบายแล้นะทินนะ ตอนเย็นๆนี่ด้เสียงเลื่อยเรื่อยในวัดเรื่อยนอกวัดเรื่อยนะเลื่อยเสียงเลื่อยก็เอาละในส่วนที่อันนี้ได้สองตัวนะความสบายกายก่ให้เกิดที่วันตัวที่หนึ่งความไม่สบายกายก่อให้เกิดตัวนิวันข้อที่2ทีนี้อันที่สอันที่สอันที่3นี่เราเรียกว่าอะไรคือ ระหว่างความสบายกับไม่สบายกําลังจะส่งต่อทอดกันเนี่ยระหว่างความสบายจะเปลี่ยนเป็นความไม่สบายและความไม่สบายเปลี่ยนเป็นความสบายเช่นเรานั่งเนี่ยนหนักใช่ไหมเราก็จะเปลี่ยนให้เป็นเบาในช่วงต่อเอาตัวหนักไปแล้วตัวเบาเกิดเนี่ยอะไรได้ตามรู้ไหมช่วงเนี้ยเขาเรียกว่าทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉย แต่คำจริงก็มาว่าไม่อาจจะเรียกว่าเฉยๆความรู้สึกว่าไม่อะไรไม่ชัดมากกว่าใช่ไหมคือไม่ชัดว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เพราะฉนั้นอาทุกข์ก็มาสุขเข้าไทนานะ่ะมันไม่ยังไม่เกี่ยวข้องได้ใจอ่ะมันเกี่ยวข้องสบายไม่สบายเกี่ยวข้องไดกายอยู่มาว่าไม่ชัดมากกว่าเพราะฉะนั้นอันที่สามเนี่ยความรู้สึกไม่ชัด เมื่อก่อนเนี่ยตำราว่าอย่างไงแล้วก็ว่าตามเขาหมดอ่ะแต่พอมารู้ความจริงข้นแล้วเนี่ยบางทีตำราก็ว่าไม่ถูกเขาบอกความสบายก็ไม่สบายต่อเนื่องเขาบอกเฉยๆกายมันเฉยไม่ได้กายไม่ต้องเป็นไปตามกดของอะไรอันนี้จังใช่ไหมมันเฉยได้ใช่ไหมอะไรแล้วบอกเฉยๆเฉยเป็นอาการของจิตใช่ไหมแต่กายมันเฉยไม่ได้อ่ะเพราะงั้นเราจะบอกว่าอทุกขโมยสุขเวทนาคือไม่จะว่าไม่สุขไม่ทุกเนี่ยมันสุขทุกนั่นแหละแต่ว่าไม่สุขไม่ทุกได้ไง เนี่ยมาทุงบอกวาบางทีตำราเนี่ยเชื่อไม่ได้เพราะว่ามั น, ม, นมันแปลมาคนแปลนี่เขาไม่ได้ปฏิบัติไงหรือปฏิบัติได้อานอาการไม่ถูกเพราะไม่เป็นอะไรไม่เป็นนิลุกติบางทีพระอหันต์ไม่ใช่เป็นนิลุกตินะไม่ใช่ น, นิลุกติปฏิปทาปฏิปทาทั้งสี่ปฏิส ม, มิทาสีธรรมะปฏิส ม, มิท า, อ, าอะไรอ่ะพระอาจารย์ประศัลปฏิส ม, มิธาสี่ไม่ได้บ้าง นิรุตติปิสมิทธาธรรมะปิสมิทาจำไม่ได้เหมื่อกันสอบวิณธรรมมานานหลายปีธรรมะปฏิสมมัมพิ ธ, รรธาฉลาดในธรรมนิรุกติเป็นฉลาดในภาษาแล้วก็อิทธิปฏิสัมิทธาฉลาดในฤทธิ์แล้วก็สุขะปิสัมิทาฉลาดในหาการหาความสุขนี้นะทีนี้ ไอความไม่ชัดเนี่ยเขาใช้คําว่าอทุกข์าาสุขสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่เชิงใช่ไหมทุกข์าาสุขทีนี้ความไม่รู้สึกไม่ชัดมันก็เป็นอุปเปกขาว่าอันที่อันที่หนึ่งอันที่สองคือว่าไม่แน่ใจแล้วไม่แน่ใจพอทําอะไรไม่แน่ใจเราเรารู้สึกเป็นไงเฉยใช่ไหมเฉยนะ ไม่ใช่เฉยเมยไม่ใช่เฉยมองอ่ะเจ้าคุณไปยุต์ทั้งว่าเฉยเมยแต่ว่าถ้าหาว่าความแน่ใจนี่คือเฉยมองแต่ถ้าความไม่แน่ใจคือเฉยเมยไม่แน่ใจเนี่ยเฉยเฉยไปก่อนเฉยเฉยไปเพราะยังไม่แน่ใจเพราะนั้นเพราะนั้นตัวนี้เรียกว่าเฉยเมยไม่ใช่ไม่ใช่เฉยมองแล้วถ้าเป็นเฉยมองนั้นอุเเกขาสัมโพชงถ้าเป็นเฉยเมยนี่เป็นอุเเกขาเวทนาทีนี้วันนี้มีไหมไม่แน่ใจ ทำไปไม่แน่ใจเอ๊ะใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่ตอนนี้สบายหรือไม่สบายมีอาการแบบนี้หัหยเราก็มาเรียกว่างงงงเงงเงซื่อบือ้อ <c oughs> <c oughs> เออเนี่ยภ า, าษาเขายังงงงอยูงง่งงง ง, ง, งเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จึงกลายเป็นมาเป็นตัวรู้สึกไม่ชัดทั้งสองสุขทุกข์นั่งไปเนี่ยมันเพลินเพลินไป เสวยสุกก็ไม่ใช่สุกมันทำไมมันง่วงทุกมันทําไมมันมันมันหลับอ่ะตัวนี้เขาเรียกว่าเหมืนอันที่ตัวอทุกขโมสเวทนาข้อที่นี่มันก็เลยมาเป็นขอให้เกิดลูกมันอีกสามตัวคือหนึ่งถีนมิท h a ถีนมิท h มาจากตัวนี้อทุกขโมสเวทนานี้พอเราไม่ชัดตัวเชื่อมต่อสมมติเราเดินไปเพลินเนี่ยเดินเร็วใช่ไหม เดเพลินไปเพลินมา เ, าเดินไปเดินมาโนเพลินพอเพลินปัเรารู้เพลินปั๊เราเปลี่ยนเราเป็ น, ปนช้านี่เขาเรียกรู้ช่วงเชื่อมต่อตรงนี้หมายความว่าความง่วงเกิดไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราเพลินไปเรื่อยเดี๋ยวแม้แต่เดินก็ง่วงใช่ไหม เ, เงินก็โซซัสโซเซเลยโดยเฉพาะหลังอาหารนะนี่นะมีน้วิชาอันนี้ง่วงใช่ไหมง่วงเหนาเหนานอน ใครอธิบายอาการของความง่วงได้ชัดเจนได้บ้างอาการของความ ง, ง่ว ง, งเริ่มต้นออยังไงยายวันนี้ ง, ง่วงโอ้โหคอตกเลยนะเอมามองดูแต่ไกลเนะี่ยเอาละใยนี่ต้องเล่นงานแน่ๆก็เลยไปเก็บผักมากํหนึ่งนะทีแรกว่าจะให้คุณวณิสาคุณพรไปจัดการเห็นยายนั่งคอตกเอาละเห็นเห็คนคุณทำงานแล้วทีนี้กนะ็เลยถอนไป ดูผู้าวปา ก, กับไอ้ยายเอ็นยืนมากำหนึ่งเอายายเอาไปล้า ง, งวะงโอ้อโหตามไปเส็จเลยกลัลวจะ ไ, ไปหลับค้าค้า้ า, าถ้วยล้างอีกตามไปดูง่วงหงาขนอนอันที่สองลูกของมันตามมาความไม่แน่ใจอันที่สองตามมาอุทัจจะอุทัจจะอุทัจจะนี่เขาเรียกว่า We have the five hindrance. The first hindrance we call h uh, sensual, sexual desire, sensuality, or sensual desire. Oh, essential desire can cause laziness, lazy, or h uh, enjoy with something, enjoy with your uh, walking, enjoy with your. and Sitting for longer, but in the second we call uh, e v u will agitation or flusters or upset cause the unhappy feeling. The unhappy feeling also we try cause from the second hindrance, but the third hindrance we call uh, <laughs> neutral. But neutral or non-non uh, non feeling, numb or non feeling, can cause other three other three hindrances. That they are they are drowsiness or asleepy. second u t a j a k u j a j a or distraction mind, and the third we call. สเกปติกอนดูอวิจิกิชาตัวที่สามนะตัวที่สามวิจิกิชาเนี่ยมันก็แปลว่าไม่แน่ใจตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมไม่ชัดไม่แน่ใจเนี่ยมันตัวสุดท้ายออกมาเป็นวิจิกิชาเพราะนั้นไอ้สามตัวเนี่ย tree h of them cut from the root uh, neutral neutral u n c e r t a i n l y uncertain feeling Uh, or non-neutral, uh, because you is not clear in the happy feeling or unhappy feeling is not clear, so become neutral. All of them cause the the, the impo important root, important root of the unskillful mind. Call a ันสกิฟ o ไม่เอ่อเด็ดที cause อันเด็ด่คมเนี่ยโมหะเกิดจากนี่เลยเนี่ยก็เป็นโมหะ or delusion delu d l u t d e l u i o n ดีรูท because we are the root by six sense organ ไรก็ you are the root by your tasty you are the root by the beautiful beautiful sight you are the root for by you r nice voice yeah lovely voice you are the root by good smell you are the root by them you from six sense again so called the Moha uh, d i l u o t แปลว่าหลอกใช่ไหมเราถูกหลอก แปลว่า dilution ห <c oughs> ลงอ่ะ <c oughs> ถูกหลอกให้หลง <c oughs> ซึ่งได้บอกไว้ก่อนนะ ล, ลืมเนี่ยแปลว่าจําไม่ได้เฉยๆไม่ได้เป็นกิเลส น, นะแต่หลงเนี่ยเป็นกิเลสเพราะเราถูกหลอกเพราะรู้ไม่รู้เท่าทันแต่ว่าตัวลืมเนี่ยมันเป็นความผิดปกติบางส่วนของสมองเท่านั้นเองนะมันไม่ใช่เป็นกิเลสอะไรแต่เป็นความผิดปกติบางส่วนของสมองที่มาไม่ทั น, <c oughs> มนเนมโมรีมมของเรามาไม่ทันเท่านั้นเองแต่ไอตัว หลงเนี่ยมันเป็นกิเลสเพราะว่าเราไม่รู้เท่าทันจิตของเราไอ้การไม่รู้เท่าทันกายเนี่ยเป็นธรรมชาติเพราะธรรมชาติเป็นอะไรอันนี้จังทุกขังหน้าตาเราไม่สามารถจะรู้เท่าทันได้หมดโดยสติของสัญชตาตญาณใช่ไหมเพราะมันเป็นสติของสติไม่สามารถจะรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดก็ต้องเอาสติปัญญายานเข้ามาช่วยแล้วถึงมาพัฒนาตัวนี้แต่สติปัญญายานเขาจะไปรู้เฉพาะเรื่องจิตเป็นส่วนใหญ่เพราะถือว่าเรื่องกายเนี่ยเป็นสติสัญชาตญาณทําหน้าที่อยู่แล้ว พอทุกวันนี้เราทําหน้าที่สสติของสองระดับนะถ้าหากว่าระดับได้ระดับหนึ่งทุกแต่ถ้ามีสติทั้งสองระดับเนี่ยทุกมันจะหมดไปสติในส่วนที่สัญชาตญาณควบคุมดูแลกายอย่างสมมุติว่าเราไปถ่ายเนี่ยมันต้องตั้งใจที่มีสติตอนที่มันเกิดอาการแล้วแต่ตอนที่มันเกิดอาการก่อนที่เกิดอาการ ม, มันเป็นหน้าที่ของกายตามสัญชาตญาณใช่ไหมตรงนั้นอะ่ะเราไปกําหนดให้หยุดก็ไม่ได้ละเพราะมันเป็นหน้าที่ของกาย แต่ว่าเราสามารถเมื่อมันยังไม่ถึงโถส้วมเนี่ยเราสามารถมีสติกําหนดรู้ให้มันถึงได้แต่โดยสัญชตาตญาณพอเห <int> มือนเด็กอะ่ะ <int> พอรู้สึกปั๊ <int> บมันแคจะปล่อยลงตรงนั้นเลยใช่ไหม <c oughs> อันนั้นเรียนสัญชาตญาณแต่พอเรามีสติปยายาัญญาญาณเราก็สามารถควบคุมตัวเองขมีบขมียนไปสุดถึงหโถส้วมจนได้หรือรอห้า น, หน้าห้องส้วมเพื่อนยังไม่ออกมาแล้วก็อดอยู่ตรงนั้นได้ใช่ไหมแต่เราก็ไม่ยอมด่าเพื่อนหรือทำมึงออกมาช้าจังวะอะไรนั่นพราสติปัญญาญาณมันคุมอยู่ใช่ไหม แต่ถ้าหาราขาดสติปัญญายันไปไงเราก็ด่าวเพื่อนหมดด้วยบางทีก็ไปครอบประตูแล้วแล้วเราอีกฮะรีบออกมาหน่อยที่ท้องกูจะแย่อยแล้วเนี่ยเพราะมันมีห้องแค่สองสามห้องใช่ไหมเราเป็นเป็นโหลสองโหลอย่างเงี้ยเพฉะนั้นโดนะ อ, อ่ะเอาละโมหะแปลว่าอะไรโมหะแปลว่าอเรานิยมแปลว่าหลงอนิยมแปลว่าหลง แนะปลว่าถูกหลอกก็ได้หลอกให้หลงเป็นอาการทั้งมันในตัวโมหันี่เองก็ทําให้เวลาเราปฏิบัติแล้วก็มแปลว่างงๆนะมันมันไม่ชัดแต่ถ้าหากก็รู้เท่าทันทั้งสองตัวนะรู้เท่าทันความรู้สึกดีไม่ดีเนี่ยโมหะมันจะไม่เกิดเหมือนกนระลุ้เท่าทันความหนะักความเบาเนี่ยความหนักเราก็รู้เท่าความเบาเราก็รู้ทันรู้การเกิดการดับโมหะก็ไม่หลง เพราะว่ารู้ว่าการหนักเนี่ยมันเป็นทุกขเวทนาใช่ไหมบเบาไปสู่ทุ ข, ขเวทนารู้เท่าทันทั้งสูงทั้งทคือรู้เท่าทานันทั้งหนักทัก้งเบาไอ้การหลงคิดก็ไม่มีพอเราไม่รู้เท่าทันหนักและเบาเนี่ยเราโเพลินการหลงคิดก็เกิดการหลงคิดก็คือตัวโมหะเกิดแล้วอ่าเพราะฉนั้นพอพอรู้เท่าทัน ตัวสุขตัวทุกข์ใครที่มันจะกลายเป็นโมหะมันกลายเป็นอะไรกลายเป็นปัญญาตัวโมหะนี่กลายเป็นปัญญาทันทีเลยถ้ารู้เพราะว่าวัานก่อนนะถ้ารู้เท่าทันสุขกเวทนาการเป็นศีนลรู้เท่าทานันทุกขกเวทนาการเป็นสมาธิาาารู้เท่าทันโมหะเป็นปญญเป็นปัญญาโมหะศีลสมาธิปัญญาเพราะเกิดจากการรู้เท่าทันในในความรู้สึกสามตัวเท่านั้นเอง คนนั้นศีลสวมมิญาก็เกิดจากสุขเวทนาทุกเวทนาทุกข์สุขเวทน า, ท, น า, ท, นาที่รู้เท่าทันแต่ถ้าหากทั้งสามตัวถ้าหากว่าความสบายไม่สบายแล้วก็ความไม่ชัดเจนเนี่ยถ้าไม่รู้เท่าทันมันก็ออกมาเป็นกิเลสสามตัวคือพอใจไม่พอใจแล้วก็ความหลงออกมาละสามตัวออกมาเพราะนักกิเลสสามตัวก็คลอดออกมาจากแม่เดียวกันคือตัวตัววิชาหรืออวิชาอ่า แม่เดวกันดังนั้นเองในในตัวนี้เราก็จะวันนี้เราเกิดปัญญาเท่าไหร่ก็อยู่ที่ว่าเราทันสองตัวนี้ไหมตัวรู้สึกสองตัวนี้ไหมถ้าไม่ไม่ทันก็หมายความมันจะเกิดมาเต็มเป็นตัวนี้พอเกิดมาเป็นตัวนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดตัวที่ห้าขึ้นมาเรียกว่าทิฐิใช่ไหมอ่าเรียกทิฐิแต่ความจริงเรายังไม่กระจายตัวนี้เมื่อวานเรากระจายแต่ตัวตัวสุขเวทนาที่ว่าไปแล้วใช่ไหม โดยทุกเวทนาเลยไม่กระจายเลยมันกระจายตัวนี้เลยเนี่ยเราข้ามไปแต่เอาตัวที่มันมีปัญหาก่อนอทิฐิเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะทํางไงถึงจะรู้เท่าทันก็ต้องมาฝึกตัวนี้แต่ฝึกแล้วมันก็ยังรู้ไม่เท่าทันอีกก็เพราะว่าเราขาดอะไรขาดประสบการณ์เพราะฉะนั้นเราก็ให้ประสบทั้งสุขทั้งทุกประสบทั้งรู้ทั้งหลงไปก่อน รู้ไปอย่างนี้หลงไปอย่างนี้ให้รู้ทั้งสองอย่างไปก่อนรู้ไปเรื่อยๆง่วงก็ปล่อยให้มันง่วงไปก่อนแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ไปล้างผักนั้นเองก็หายแต่ตอนบ่ายนี้ขู่ไว้เน้นๆนะถ้าง่วงนะทีนี้ไม่ให้ไปล้างผักจะให้ยกหินก้อนหน้าเนี่ยข้างหน้ากูปีหินก้อนเริ่มเลยจะแค่นั่งเฝ้าอยู่นั้นแหละจ้องหินหนึ่งนั้นเลยโอ้มันไม่ยอมง่วงเลยนะถ้าง่วงกูลุกกูลุกไปยกหินทันทีเลยนะเราต้องขู่กีเดีนมันว่างอย่าให้กีเลดมัน ขี่คอแล้วได้ไงนนเนี่ยมึงลองง่วงให้กูดูดิกูจะพามึงไปยกหินเดี๋ยวนี้เลยนะมันไม่ยองมง่วงเลยยายไม่ง่วงตลอดเลยวันนี้เอามาก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยมองดนอูนั่นก็แสดงว่ากีเลนมันก็รู้จักความเหมือนกันถ้าเราขู่มันแรงๆนะพรุ่งนี้เอาอะไรอะ่ะเอาเข็มมาตวงข้างหน้าเลยอถ้าคืนง่วง ก, กูเอเข็มจิ้มแกเลยนะเพราะงั้นอะ หรือตั้งเทียนเอาไว้ก็ได้ถ้าหากถืนง่วงลุ้นเอาเทียนลนคางตัวเองเลยนะตื่นแน่เลยละอันนี้คือหลายวิธีหลายอุบายยาเหลืองหมดขึ้นขวดอะไรนะนวดแล้วยาเหลืองยอมขึ้นขวดขึนขวดแล้วนวดแล้วก็ยังง่วงเลยนวดนวดนวดนี่คืเรือแก้ผิดเหตุผิดเหตุเพราะว่าเราไปเหตุของมันอยู่ไม่ได้อยู่ที่ ปวดขาเหตุของเราแล้วไปนั่งทับมันหาวิธีนั่งดีๆเหยียดขาก็ได้เหยียดขาก็ยังปวดอีกก็เอายาเนี่ยอเอายาไปนวดมันแล้วก็เอามือนวดไม่ต้องมียานวดให้เลื่อนลงมันเดินเฉยๆก็ยังไม่หายอามาก็เลยเอาไอ้สเปรย์นี่ไปให้ปรากฏว่าดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นไอ้สเปรย์นะ้ำมันดำใหญ่ามาได้มาหลายหลายขวดไิยม ที่เมืองไทยเขารู้ว่าจะมามาทางนี้บกยมปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะต้องมีการปรวดกันเมื่อยท่านเอานี้ติดตัวไปด้วยไปช่วยเขามันก็ให้มาอเอาแล้วทีนี้เราย้อนมาใหม่ <c oughs> ย้อนมาว่าเราจะไม่ไปไกลตัวนี้แล้วนะตัวนี้ไปไกลเราจะไม่ทันมันจะเยอะไปตัวตัวนี้ย เอากลับไปที่ตัวเมื่อกี้ว่ามันเป็นสุขเวทนาทุกเวทนาพอเปลี่ยนมาถึงอันที่สคือพยาปาทะใช่ั้ย อ, อันที่หนึ่งทุกเวทนาสองโทโมสมนัสเวทนาสปฏิฆะสาปฏิฆะ เราข้ามไปที้ไปเนี่ยเมืเ่อกี้ปฏิฆาไปว่าอะไรอึดอัดเนาะหรือปฏิฆาหรืออึดอัดงูหงิดเนาะงูหงิดงูหงิดเขาว่าติดอารมณ์ใช่ไหมงูหงิดแล้ว ถ้าญหญุ่นยีดเกิดยังตามรู้ไม่ทันอีกก็จะเป็นอะไรทยาปะะ่าท่ายาป่ทานี่อืดอัดเนาะอ่าอืดอัดขัดเครื่องอืดอัดลำคาญหญุ่นยิดลำคาญเออญหญุ่นยิดนี่มันต้องบวกด้วยลำคาญด้วยนะปฏิฆาเนี่ยง่วงลำคาญยังเว้ยเนี่ย มันก็จะเกิดวินิจรมคานพอพยาบาทะเป็นตัวที่สี่ของกรารมาันทะนั้นตัวที่สีของเหีนน้นแล้วพยาบาทะแล้วก็ตามรู้ไม่ทันอีกสติไม่มาอีกเป็นตัวที่ห้าเป็นอะไรพยาปาทะก็เกิดเป็นอ <c oughs> โกรธาใช่ไหมอ่าโกรตัวเองมโมโหตัวเองอทําไมมันง่วงจังนะโมโหตัวเอง บางครั้งจะเอาเอาหงเอกสับตัวเองเเรียกไม่ได้โกรธคนอื่นนยอันนี้โกรธตัวเองนะเขาเรียกอันนี้ฉุนนะภาษาไทยว่าฉุนแต่ไม่ถึงกับโกรธนะฉุนแล้วขุนขุนใจขุนอารมณ์อารมณ์ขุนว่างั้นเถอะอารมณ์ขุนละกรทะอันที่อันที่ อันที่6มันมาถึงมาเป็นโทอะไรโทรสักอันที่6กตัวเป็นโทสักนี่ขนาดสติตามไม่ทันห้าแล้วนะอันที่6ทันมันเนี่ยโทสักเกิดอาการฮ ะ, ร ะ, ะ อ, อะไรโกนร ว่าเหมือนกันโท่าคือโกรธโท่สะนี่มันมีอาการเด้อาการมันนาเบิ้วเบ้ ว, บวหูตึงตึงตาสวดสวดหายใจตื้นตื้นเสียงหนุนหวนผมตั่งสั้นๆเ น, นี่ยนะโถโธสะมันจะมีอาการออกทางกายด้วยแต่โกรธท่าเนี่อาการมันไม่ออกนะเพียงแต่ขุนๆในใจให้ๆโท่สะนี่ว่ใจเสียจะเสียใจ ใจเรืองไมเสียอารมณ์เสียแล้วเนี่ ย, ยใจเสียหรืออารมณ์เสียอ ย, ย่ามาใกล้กูเดี๋มึงเด้อเดี๋ยวมันคขอนปิวเด้อเหนว่า <c oughs> อารมณ์เสียาอารมณ์เสียอันนี้ก็มันจะมีอาการออกมาทางกายเรียกเป็นโทสะหรือโทษโทษตัวนี้มันก็จะออกมาเราไม่ใช่ โทษะโทสะขนาดแรงขนาดนั้นแล้วก็ยังไม่ได้สติน ะ, ะมันก็เกิดข้อที่7โทยส ะ, ยสะออกมาปเป็นอะไรเป็นม า, ะมานะอ่าเป็นมานะมานะเกิดอ่านมะึง<อ>หูจะกูบ้บอระเนี่ ย, ย <c oughs> พอมึงเด้อ <c oughs> แม่มึงเด้อ <c oughs> เออถือโตถือโ ต, อ ต, อตสมคันโตละตรนี้เออ เอาม้าแม่กูเป็นพอเป็นพแม่กูเป็นพวกรเปีเปเปเปเ่ยก็ว่าไปเอออันนี้เขาเรียก เ, เขาเรียกว่าสำคัญตนสาคัญตนผิดตรงโดนผิดนี่มานะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นอีกนะแปดก็เป็นอติมานะมานะ ยิ่งกว่าอาทิมาน้านี่หมายความว่าเป็นคนยิ่งยะโสโอหังอวดโอคุยโตขี่โม่ไปใช่ไหมพวนี้อาทิมาหน้าเออคนเป็นเป็นคนมีเงินจังน้อยกะอวดอ้างมีหลุดอ่ยายโสโอหังยโสโอหังยกตัวถกท่านพวกเนี่ย แต่ว่ายากตัวอย่ามันก็มีอีกสับหนึ่งเขาเรียกว่าภาษาของเขานในอุปกิเ์ส16อย่างอ่ะมาไปจากตรงนี้ทั้งหมดเลยนในในตัวมณะนี่ก็จะแบ่งเป็นเก้าอย่างดีตัวดีกว่าเขาสําคัญว่าสูงกว่าเขาด้อยกว่าเขาตัวสูงกว่าเขาสมมาด้อยกว่าเขาเสมอเขาอะไรพวกนีนน้สามตระกูลมันแหล ะ, ะมณะทั้งเก <c oughs> ้ามเป็นอติมณนะ ทีนี้พออติมณะเกิดทิฏฐิมณะเพราะนั้นตัวอติมณะไม่ใช่ทิฏฐิมนะอติมณะทิฏฐิมนะอีกอย่างนะอติมณะแต่ลคนเอาไปเรียกว่าทิฐิมนะซะซึ่งมันไม่มันความจริงคืออติมะทิฐิมะมันทิฐิเป็นโมหะถ้าโมหะกับโทสมาบวกกันกเรียกทิฐิมะเพราะโมหะเป็นทิฐิใช่ห แต่มณะมันเป็นโทสะบวกกันได้มนีทิฏฐิมณะทั้งถือตัวด้วยทั้งขี้โกรธด้วยโกรธง่ายเลยถือตัวด้วยบางคนมาผสมกันบางคนมีราค้ากับโทสะอเขาเรียกว่าโมโหร้ายแต่ใจดีใจดีแต่ปากร้ายตรงนี้เรียกราค้ากับโทสะมาปนกันบางคนโทสะกับโมหะมาปนกันมีทิฏฐิมณะมาปนกันบางอย่างมีอันเดียวบางอย่างมีสองอย่างบางคนมีสามอย่างเลยนะเออว่าแห แห้งในนนั้เพราะฉะนั้นเราก็ดูลักษณะต่างๆของคนว่าคนไหนมีอันไหนเยอะนะแล้วก็เราก็ดูทีนี้พ่อติมนะนะโสเขาก็ยังไม่รู้สึกตัวก็รู้สึกตัวยากแล้วประเภทนี้ใช่ไหมมีแต่จะโดนไม้หน้าสามนั่นแหะเออเกเกมันก็จะออกมาเป็นตัว อดีตมน่ก็ะอัตวาอัตอัตตาตัวนี้เห็ไหมเป็นอัตาอัตาตัวตนกิจากตัวนี้อ oh. ัตาอัตาสำคัญพีเป็นอีโก้เดอรเียเลย I want to tell you the unhappy feeling unhappy feeling cause the what what อันอัน i ะเดื unhappy feeling ออกทุกขเวทนา feel unhappy unhappy feeling บริเลียบรี unhappy feeling uh, yes unhappy feeling ข้อเสียข้อเร็วข o อ agitation ข้อดีเทียนขอเร็วข้อ upset feeling mm hmm. so That's when it causes the those are h e a d a c h e d h e a d a c h e d or t h i say h e a d a c h e cause the i l will. i will cause uh, what we call atimana, n a n Huh? Bracking. Bracking. Brack. y yeah, e s so ah. Uh, Brack. Black. Black. Oh. b a c k b l Black. c a c k b b c a c k l l c a c k คนที่คุยใหญ่คุยตอ่ะคุยใหญ่คุยโตแกร์ยายโสโอหังยิงยิงอ่ฮะแล้วก็มาเป็นเซลหรือเป็นนั้นมาเป็นไอ์อีโก้เป็นอีโกแล้วก็เป็น Sell Attachment เป็นอัตาทูอัตวาฟุทุปาทาน อัตวาทุปาทานเซล attached อัตวาทุปาทานสำคัญตนสำคัญตนว่าเป็นตัวเป็นตนอะไรเป็นของตนตัวปูของปูเกิดมาจากตัวนี้อัตวาทุปาทานบ่บอลเดียวอันนี้บ่แห้งเนี่ยบ่แห้งตัวนี้แห้งๆจะจะเป็นเซลอีโก้แต่ตัวนี้เป็นซูเปอร์อีโก้เนี่ยอัตวาทุปาทาน คือหมายความว่าอะไรก็เป็นบ้านก็เป็นของของ ก, องกูลูกเมียสทรัย์สมบัติวัดวาอารามอ่าแล้วก็เลือกสวนไรนาบางแหง่งต้องได้ค่ากันตายด้วยนะถ้าหากว่าไปผิดกันนี้นะถืว่าใครใครมาโลบมาเอาเปรียบอะไรก็รูแรงมากที่แม่เต่นิดเดียวจะจะก้าวกายไม่ได้นะเวลาไปเอาน้ำเข้าไร่เข้านาเอาน้ำเมื่เข้าไป แกเอาน้ำขานาตัวนี้กูไปเอามาตั้งใจ่มึงมารักเอากางทางยิงกันตายก็มีว่าเรายิงกันบ่อยเรื่องนี้ก็เพราะว่าตัวเนี้ยตัวอัตวาทุกธาทาน่ะเพราะมันมาจากตัวโทสักไอตัวนี้ก็ผสมความโลภความโลภก่ให้เกิดตัวความโกรธความพอใจก็ให้เกิดความไม่พอใจเพราะฉะนั้นรักขกับโทสักเป็นเหตุ ป, ปัจจัยเป็นอัญย่ามาใจอัญญาปัจจัยของกันและกันหมายความว่าอาศัยกันและกันเกิด เพราะถ้าเรามีโทสะก็มามีจากมาจากตัวราคะนั่นแหละสมมติโยมมีคนรักใช่ไหมแล้วคนรักถูกแย่งอะ่ะตอนแรกก็รักกันดีดีพอคนรักถูกแย่งปั๊กของรักถูกแย่งปลั๊กไปไงไม่พอใจโกรธละใช่ไห ม, ไมหรือมีเงินอยู่ดีด ๆ, ๆ, ๆีเขารักเอาไปซะเนี่ยรักตอนแรกมีความรักในเงินใช่ไห ม, ไมแต่พอถูกของนั้นของรักหายไปก็ตัวโทสะก็เกิดเพราะนั้นโทสะก็เกิดจากของที่ เรารักนั่นแหละไม่นด้ทษศาเกิดจากราคะความพอใจก็เกิดจากความไม่พอใจความไม่พอใจก็เกิดจากความพอใจไม่ได้กลับกันไปกลับกันมาใช่อไหมขอโทษนะครับอาจารย์ข้อแปลนี้ใช้ over เเบ่ไรเอา over เขา o า e r เขาเรียกอะไร over act e ไ e over o v e r action over sell ไมเอจสโอมคิดโอเวอร์ใช่มฮะโอเวอร์โอเวอร์เขาเรียกซูเปอร์อีโก้ไม่ใช่โอเวอร์อีโก้โ้จะมีสมข้อเโอเวอร์อติมานะอติมานะ เพราะนั้นเมื่อเป็นอัตวาทุปาทานแล้วต่อไปมันก็จะเป็นอะไรล่ะ <c oughs> อ่าข้อ <c oughs> ที่11อ่าอัตวาทุปาทานก็เป็นต่อไปก็เป็นอ่าตัวอะไรล่ะอ่าอะไรทุกขโทมนัสสะใช่ไหม <c oughs> อุปายาสะตัวนั้นมาได้กัน เป็นตัวมาจากความเหี่ยวแห้งความระทรมตรมใจ อ, อุปรรยาสะความตรมตอที่ไม่ได้อย่างใจเสียของรักใช่ไหมก็โรคซึมเศร้ามาจากตัวนี้จากโทสะนี่ใช่ไหมคือไม่ได้อย่างใจพอไม่ได้อย่างใจก็เกิดการอาการซึมเศร้าตรอมใจเศร้าใจเสียใจ อ, อ, อุปรรยาศะแล้วก็สิบสองก็เป็น สัมอะรสัมปโยโครุโขปีเยหิสัมปโยโครุโข อ, อปีเยหิระสบในสิ่งที่ไม่น่าพอใจเกิดโมโหใช่ไหม <N> เนี่ยเขาว่าอันนี้เขาเรียกเศร้าใจนะเศร้าใจอ่ะทีนี้ก็ไปอ่ปะสบกับสิ่งไม่น่ารัก อ3สพัดพากนะตัวนี้น ะ, พ, ะพัดพากโศกับริเทวเนาะอ่าพัดพาก14ก็เป็นโศกอ่าคอนโศกเศร้าที่ไรลำพันใช่มอ่าเศร้าโศกโศกับริเทวะอันเดียวกันอกปัญยาสาวมาแล้วก็อ่าตัวนี้ก็ พัดพลาดจากกันนี่อันนี้เขาเรียกว่าปีเยหีเนาะปิเยหีวิปโยปีเยหีวิปโยโคอ่าพัดพลาดจากของหักโสกกาปริเทวะนี่เขาว่าโศกกาเนี่ยเว่าโศสาโศ14โศกกาปริเทวะอ่าโศกโศเข้าปริเทวนาการปริเทวนาการมี่เขาว่าเป็นข้าครวน บนเพอลำพันธอยู่กับบ้านกะกระปอดกะแปดนะอันนั้นบางอันนี้บางขเขาเรียกว่ามาจากตัวนี้ฮะเอ อ, อคำครวญเออเพราะนั้นเอาแค่สิบห้าหลักนี่ก็พอเหลือเฟือแล้วไม่ต้องเอาถึงยำปีฉังนั้ราปฏิตทมปีคือขังสังขีเตนะปัจุบัานะกันธาทุกขาแค่ากเกิดกันมาเกิดกันมาแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ถือว่ามีในใจมาก่อนไหมไม่มีสิ่งทั้งหมดไม่มีมาก่อนแต่พอถูกกระท บ, ะทบปับ๊บหมายความว่าตากับรูปกระทบกันสติไม่รู้เท่าทานันก็เกิดอาการสองอย่างคือสามอย่างคือพอใจไม่พอใจแล้วก็เฉยเฉยเมืเสียงมากระทบหูก็เกิดอาการสามอย่างคือพอใจไม่พอใจและเฉยเฉยอ่าแล้วแต่ว่าของนั้นมีความสําคัญแค่ไหน ถ้าเป็นคนรักของเราก็พอใจเป็นคนชังของเราก็กระทบก็ไม่พอใจถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่รักไม่ชังกระทบเพงกระทบมาเราก็รู้สึกเฉยเฉยกระทบเป็ น, นผัสสะอ่าผัสสะผัสสเพราะฉะนั้นอัญัตินะาอื่นเ ห, หมือนตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงจิตรสสัมผัสกระทบกันแล้วจะมีความรู้สึก3ประการส่วนจะแรงไม่แรงขึ้นอยู่กับดีกรีของความสําคัญมั่นหมายมีสาประการก็มาจากเวทนาทั้งสาใช่ไหม พอกระทบแล้วผัดศาก็เกิดเวทนา<ม>เวทนาทั้งสามเมื่อสติไม่กําหนดรู้มันก็จะมีความอยากฟังไม่อยากฟังอยากอยู่เฉยๆก็เป็นตันหาสามาถ้าอยากฟังก็เป็นการมนนารณาไม่อยากฟังก็เป็นวิภวะตันหาถ้าเฉยๆก็เป็นภาวะตันหาเปตันหาหรืออุปทานอ่าเปอุปทานต่อเพระเาะฉะนั้นตัวนี้ ไม่กี้เนี่ยตัวอุปทานนี่มันอยู่ในอันไหนนะกามุปาทานมันอยู่ในกามนะอุปทานนี่อยู่ทั้ง3ตัวเลยอยู่ในกามอยู่ในตัวสุขเวทนาด้วยตัวทุกขเวทนาด้วยตัวสุขเวทนาอยู่ในกามุปาทานตัวในทุกเวทนาอยู่ในอัตวาทุปาทานตัวอัทุกกมสุกอนเป็นทิฏฐุปาทานอุปทานนี้ทั้งกินทั้งสามรูปทั้งสาเลย ปล่อยวางอ๋อป่อยวางได้ไงอะ่ะไม่มีปัญญาท่านยืดโอท่านยืดเอ่อ <c oughs> ยืดอ่ายอเคขาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอุปทานสําคัญมากเพระาะฉะนั้นเวลาเวลาเราสวดในธรรมจกกักรเกดีในอาทิตย์อนัตตเดีจิตของพิสูจน์ทั้งหลายหลุดพ้นแล้วจากความไม่ยึดถือมั่นด้วยอุปทานดังนี้แหลเห็นไหมตัวอุปทานนี่สําคัญ ถ้าหลุดอุญาในหลุดข้างหน้าก็หลุดหมดข้างหลังก็หลุดหมดข้างหน้ามีอะไรอวิชาสังขารวิญญาณนามรูปยตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานตัวที่แปนี่นะข้างหลังมันก็มีอะไรข้างหลังมันก็มีาชาภพชาติชราวรณโะโศกปริเทวะ อ, อุปยาศปิเยหิส วิปเยะหิแล้วก็ยัมพิฉังแล้วก็สังคีเตนะ8ดเหมือ <8, S 2> นกันก้าวสข้างหน้า8ดข้างหลัง10บอุปทานอยู่ตรงกลางมันสามารถดึงดูดข้าหากันได้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าว่าเอาชนะอุปทานได้อดียวหมายความวมันลื้อถอนทั้งหมดเลยเพราะมันลื้อมันตัวเดียวลื้อได้สมตัวเลยลื้อได้ทั้งการมุปทานอัตวาทุปทาน ทิฏฐุปาทานคือรือได้ทั้งการยึดมั่นในความรักการยึดมั่นในความไม่รักการยึด ม, ม, มัมมม่นใ น, ว น, น, นความไม่รู้ทั้งสอย่างรักไม่รักและก็ไม่รู้รักคือความจะเป็นกรรมวุธทานไม่รักอัตวารุธทานไม่รู้ทิฏฐุปาทานขะทั้งความไม่รู้ทั้งสาระดับหมดเลย เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าให้ปล่อยวางปล่อยวางทำไมคำว่าปล่อยวางมันถึงติดปากเพราะต้องการละอุปทานอย่างเดียวปล่อยวางไม่ถึงมันได้อุปทานอุปทานแปล ว, ว่ายาตัณหาแปลว่าอย่างเหนียวใช่ไหมแต่ว่าอุปทานแปลว่ามันติดตัวกาวมันแห้งแล้วตัณหาเนี่ยเหมือนอย่างเหนียว แต่ว่าอุปทานเหมือนยางเหนียวมันแห้งติดบั๊บเลยที่เนี่ยแกวยางเลยเหมือนกาวกาวตายช้างใช่ไหมไอ้ตอนที่มันเนียวเหนียวเยอะถ้ายังไม่ทันแห้งมันยังไม่ติดนะแต่พอมันแห้งแล้วติดเลยเพราะฉะนั้นคนมันแกล้งกันตอนที่มันหลับใช่ไหมมันก็เอากาวตายช้างไปแปดตาไอ้ตื่นขึ้นมาลืมตามไม่ได้โอ้ ค, คนมันก็ช่งฟิเลนขนาดนั้นเนาะไม่บอดเออพราะมันหลับ พอพอมันแห้งตีดแล้วมันตื่นขึ้นมาบึงตามไม่ได้เดือนน้อนหมอมีที่เมื อ, องไทยมันเล่นพี่เลนกันจะตายไอ้พวกมอเล่อะมันหลับอะไอ้เมาอีกคนมันก็พี่เลนใช่ไหมเอากราดชายช่างมาหยอดตาไอ้คนมันหลับก็ขนตามก็ติดกันดิเ <c oughs> <c oughs> พราะฉะนั้นตัวที่ยังไม่แห้งเป็นตันหาได้แห้งแล้วเป็นอุปทานเพราะฉะนั้นก็การที่จะขัดอุปทานไม่ใช่ธรรมดา ก็จะต้องเป็นไม่ใช่เอามือรูปออกแต่ต้องใช้สก็อตไบส์เหมือนกับเราข้าวข้าติดกลางติดหม้ออ่ะอันนั้นตัวนี้ต้องขูดกันหนักนิดหนึ่งตัวอุปทานนี่นะแต่มันไม่ใช่คําที่เขาใช้ในตลาดนะว่าอุปสงค์อุปทานนะคำว่าอุปาทานอันนั้นอุปทานอุปสงค์อุปทานอะไรซัพพลายดีมานแค่ซัพพลายใช่ไหม ดีมานไอซ์สไปยอุปสงค์ประทานดีมานไอซ์สไปยแต่ว่าอันนี้มันอุปาทาน oh. อุ mm hmm. นคละตัวกันแต่ว่าใกล้เคียงกั น, น, รกนปริเทวาปริเทวาคือความ mm hmm. โห<อ>ดควรบุญเพริคร่ำครวญแหต่างอ๋อตัวนี้เปรนลากสุดท้ายที่นิสรุปตัวนี้ตัวในลำธารพิธีว่าตัวโมหะนี่มันตัวทศอันที่สามเนาะ แต่ว่าตัวโมหะรู้แล้วมามันไต่ระดับมาจากอะไรอทุกค์มาสุขใช่ไหมแล้วมาเป็นอุเปขาแล้วก็มาเป็นโมหะนะทีนี้โมหะมันจะงอกไปได้อีกโมหะตัวนี้แปลว่าหลงใช่ไหมหลงหรือไม่รู้เมื่อหลงแล้วมันก็สําคัญตนว่าเป็นไงมีความคิดขึ้นมา มีความคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะหลงหลงก็สําคัญผิดต่อไปสมมติขับรถไปตรงนี้คิดว่ามันจะอยู่ตรงเนี้ยถูกใช่ไหมก็เอ๊ะมันเหมือนคล้ายเหมือนตรงนี้นะคล้ายเหมือนคล้ายเหมืนอนไอ้ความไม่ชัดนี่แหละมันก็จะไปพอไปถามคนทางหน้าวัดอาจารย์ประสานอยู่ทางไหนคนนี้อ๋อไปอยู่ทางโน้นเอเอมันอยู่ทางโน้ น, น, น, น, นไปอีกทางหนึ่งกลับมาก็พอมาถึงใกล้ๆทันที่จะถามคนอีกใช่ไหม ก็คิดว่ามันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนไม่ชัดอีกก็ไปไปอีก50สกิโลวัดอจารย์ภาษาอยู่ตรงนี้กลับมาอีกก็วนไปวนมาตรงนี้เพราะคิดเอาว่ามันอยู่ตรงนั้นคิดเอาอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความคิดเห็นเอาเองมาจากคำว่าทิษดีคำว่าทิษดีพวกนักคิดทิษดีพวกนี้ชคชอบคิดพวกทิฏฐินะี่เสร็จแล้ว ในตัวทิฏฐิมาจากคําว่าทัศนะนั่นแหละนะแต่ว่าทัศนะมันแข็งเหมือนอิดนี่ไงอิดนั้นอนะ่ะอิดทิอ่านะเพราะฉะนั้นตัวทิฏฐิตัวนี้ก็จะมาแยกเป็นวิฉาทิฏฐิตั้งแต่วิชาทิฏฐิเป็นต้นไปก็ต้องเป็น8ใช่ไหมวนะิชาทิฏฐิก็เป็นวิชาพอคิดผิดเข้าใจผิดก็คิดผิดพอคิดผิดก็พูดผิดทําผิด เลี้ยงชีวิตผิดพยายามผิดเข้าใจตั้งจิตผิดตั้งสมาธิผิดมันก็ไปทั้งหอย่างเลยทีนี้เพราะฉะนั้นจุดนี้จึงอันตรายเพราะฉะนั้นกิเลสในส่วนเนี้ยขอสรุปมาตรงนี้กิเลสอย่างหยาบก็มีอะไรนะราคะเกิดมาจากอะไรโทรสะเกิดมาจากอะไรโมหะ น, นี่กิเลสอย่างหยาบนะอันนี้หยาบพอราคะเนี่ยพัฒนามาเป็นอะไร ตันหาใช่ตันหาสาอะ่ะโทยสพัฒนามาเป็นมานะมูหาพัฒนามาเป็นทิฐิอันนี้กี่ยอย่างกลาง3ตัวเนี่ยกี่ยอย่างกลางเขามาาตรงกลางลยนะทีนี้ตัหาก็พัฒนามาเป็นกามาสวะมานะก็ภวาสวะทิถิก็เป็น อวิชชาเพราะฉนั้นอวิชชาแท้ๆคือตัวไม่รู้เนี่ยมันมาจากไหนต้นตองมาจากอะไรต้นตอมาจากโมหานี่เองต้นตอมนันอ่ะต้นตอของอวิชานี่มาจากโมหานะความไม่ชัดเจนน่ะใช่ไหมโมหะพัฒนามาจากอทุกขมสุกเวทนาโยงไปหาได้เลยว่าอทุกขมสุขเวทนานั่นแห ล, ละคือตัวอวิชชาเพราะฉะนั้นทําตัวอวิชชาตัวเดียวเนี่ย ทั้งสองตัวมันทําได้เลยคือตัวสุขตัวทุกข์ไปรู้สุกโดยทุกขเกิดวิชาไม่รู้สุขไม่รู้ทุกข์เกิดโมหะเกิดอวิชากลับมาเป็นต้นตอตัวแรกของการเหตุเกิดทุกข์เลยมันเป็นตัวต้นใช่ไหมมันเป็นตัวตัวปลายใช่ไหมไอตัวไอทุกขโมสหะเริ่มต้นมันพอใจไม่พอใจแล้วก็ไม่แน่ไอตัวไม่แน่ใจเนี่ยกลับมาเป็นตัวต้นของเรื่องเลย คืออวิชชาเพราะนั้นสืบลากมันให้ดีว่าไอ้ตัวอวิชชามาจากไหนก็มาจากตัวโมตัวโหะโมหะมาจากไหนก็ตัวจากไม่ไม่สุกไม่รู้ทันสุขเป็ทุกเป็นอนทุกเปสุขเวทนาเพราะนั้นอวิชชาก็โยงมาจากอทุกเปสุขเวทนาใช่ไหมสุขเวทนาเขาก็รู้ชัดทุกเขเวทนาแล้วก็รู้ชัดใช่ไหมหนักยกเหยียบไปหนักรู้ชัดว่าหนักใช่ไหมพอยกขึ้นเบาก็รู้ว่าเบาแต่ระหว่างหนักระหว่างเบาเนี่ยเรารู้ไหมว่าอะไร ตรงนั้นเขาเรียกอทุกรรมสุเวทนามันถึงรู้ยากไง้วขณะที่ยกลองลองยกดิแล้วเวลาหนอนนี่เขาจะกำหนดตัวนี้ชัดมากนะยกอยระหว่างระหว่างที่ยกเนี่ยแต่วันบังเอิญว่าขณะยกมันช้าไปน้ำหนักมันมันไม่รู้ชัดตรงนี้มันหนักตัวนี้เสียก่อนเน่มันยกขาเดียวอ่ะไอ้ขานี้ยังห้อยอยู่เลยยังไม่ร่อนน่มันมาหนักบวกสองเลยยใช่มมันมาเข้มตัวนี้อ่ะใช่ยก อย่ากหัวใจลงตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันปวดแล้วอ่ะมันถ่ายน้ําหนักไม่ทันเพราะฉะนั้นแทนที่จะมารู้ตัวระหว่างอุทกคมาสูงให้ชัดใช่ไหมมันกลับมาเพิ่มขอโทษมันกลับมาเพิ่มหนักตัวนี้แต่ถ้าหากว่าปกติเงี้ยมันไม่ทันได้หนักใช่ไหมมันไม่ได้ถัดนั้นเพิ่มมากตัวรู้มันจะมาทันมีสาเหตุหนึ่งที่ว่าหนอทําไมมันจึงช้าเพราะมันมีเวทนาทั้งสองตัวร่วมกันในเวลาเดียวกันแล้วสติมาไม่ทันเช่นโยก ขนายกย่างลงเนี่ยไอ้ตัวนี้มันหนักแล้วเนี่ยขอโทษตัวนี้มันหนักเกนเกรงแล้วไอใช่ไหมคนแก่เป็นไงจะล้มเลยใช่ไหม <Okay. S 1> เออเพราะมันหนักมากเ <c oughs> ข้าใจไหมว่าขณะที่รู้ไม่ชัดเนี่ยกับรู้หนักมันมีเกิดในเวลาเดียวกันไอ้ตันี้หนักใช่ไหม <c oughs> ตัวนี้ต้องการทําไหมตัวนี้ให้ชัดอะ่ะมันกลับไม่ชัดเพราะอะไรจิตของเรามาเพ่งแส่ตัวนี้เพราะจิตมันดึงตัวหนักตรงนี้มันดูดมา <c oughs> ไอ้ตัวจิตที่จะมารู้ไอ้ความ ชัดตัวนี้มันเดิไม่พอไงเพราะตัวนี้เวทนาตัวนี้มันแรงกว่าต้องเจาะกันให้ถึงรากนะไม่งั้นไม่ชัดนะว่าทําไมมันมันมั น, ม, นมันพลาดตรงไหนทำไมไม่สาเร็จเราก็นั่งกันโอ้โหนั่งทำจริงวันละห้าชั่วโมง8ชั่วโมงสิชั่วโมงแต่ว่ามันก็ยังไม่ไปไหนอะ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้อะอกีเดลสอย่างยาคือราคาโทยสาโมหกี่อย่างกลางคือตัญหามนตทิฏฐิกิเลสละเอียดกิกรรมะ ทีนี้ก่อนที่จะเป็นราค่โทรศัพท์นี่เป็นอะไรนะเวทนาทั้งสามใช่ไหมเอาขอโยมมาตรงนี้กันแล้วกันเนาะอันนี้สุขเวทนาขอให้เกิดตัวนี้ทุกเวทนาขอให้เกิดตังนี้อาทุกคยสุขเวทนาอ่าขอให้เกิดตัวนี้เนี่ยราค่าโทรศัมุหะหยาบเนี่ยมาจากอะไรมาจากสุขเวทนาทุกคทุกคนสุขเวทนา ท, นา ท, นาทีนี้ไอเวทนาทั้งสามเนี่ยถามว่ามาจากอะไรซื้ไปอีก เวทนาทั ah 3. 3. ้งสดูว <Right. S 1> well, right? ่าตัวไหนเป็นตัวหยาบตัวไหนเป็นตัวกลางแล้ตัวไหนเป็นตัวละเอียดเวทนาสุกเวทนานี่นะสุกทุกอาทุกขมาสุขเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสุขควรจะเป็นหยาบหรือเป็นละเอียดทุกขเวทนาควรจะเป็นละเอียดหรือเป็นหยาบทุกขขมาสุขเวทนาตัวไหนเป็นหยาบเป็นละเอียดเอาขวามา ความสบายเนี่ยความรู้สึกเป็นหยาบหรือละเอียดไม่เอาโดย sense คอมมอนเซนต์ดิคอมมอนเซนต์อย่าไปคิดเปรียบเทียบความรู้สึกสบายไม่สบายกับเฉยๆเนี่ยอันไหนเป็นกลางอันไหนเป็นหยาบอันไหนเป็นละเอียดข้าวเอาไปตำแล้วกับข้าวข้าวเปลือกเนะ น, นี่ยอันไหนกินง่ายกว่ากันอันไหนกินง่ายกว่าอั น, น, นละเอียดใช่ไหมอันไหนกินยากอันนั้นหยาบใช่ไหม อันไหนพอกินได้อันนั้นเป็นกลางใช่ไหมเออนั่เวทนาทั้งสามเปี่ยนเป็นข้าสุกเวทนาเปลี่ยนเป็นข้าสุขหรือข้าเปือกอ่าเข้าสุกคนจะเป็นยาหรือเป็นละเอียดยังไงน่ะอ่าละเอียดคนนั้นสุขเวทนาเป็นเวทนาอย่างละเอียดทุกเวทนาเป็นเวทนาอย่างยาเพราะมันสัมผัสได้อ่าอทุกขมสูนนะเป็นอะไรเป็นเป็นการชักลังเลได้ใช่ไห เรียกว่าเป็นไม่ชัดกันเลยกันไม่ชัดคือมันมันเป็นกลางเออมันน่าคิดนะเอามาว่าน่าจะเป็นละเอียดมากกว่านะไอเดินนี่ไอทุกข์็มาสู่เคยธานามันรู้ยากอะสู่เคยธานาน่าจะเป็นกลางแต่ไอทุกข์เคยทานาหยาบแน่ๆแล้วแต่ทําไมตรงนี้จะว่าเป็นกลาง เพราะมันยังไม่ชัดไงหมายความว่ามันยังมันยังยกขึ้นแล้วมันยังไม่ทันลงอ่ะมันยังเป็นกลางอยู่อ่ะไอเดี๋นี้มัชัดพอลงปั๊บเนี่ยมันจะชัดแล้ววันหนักหรือเบาใช่ไหมอ่าเดียกขึ้นเนี่ยยังไม่แน่ว่าหนักหรือเบามันกำลังร่อนอยู่เอาง่ายๆเอาหินชัดๆดูกทายกย่างเหยียบพอเหยียบลงไปตอนใหม่มันก็ยังไม่ทันหนักใช่ไหมพอกดลงไปเริ่มหนักแล้วไอตอนวางใหม่ๆไม่หนักแต่ไอล่อนเนี่ยมันก็มีทั้งหนักทั้งเบาผสมกันอยู่ เพาะตงนี้มันหนักอยู่เพราะฉะนั้นกกไปดูให้ดีแต่มันบอกว่าไอ้ตัวเนี้โมหะอวิชชาเนี่ยมันมาจากอาทุมันมาเป็นโมหะเป็นทิฐิเป็นโมหะเป็นทิฏฐิเป็นอวิชชาอทุกเวทนาควรจะเป็นตัวกินอย่างหยาบขี้อย่างกลางขี้อย่างละเอียดนะเพราะฉะนั้นสู่อย่างหยาบสูกอย่างกลางสุงกอย่างละเอียดทุกอ ย, ย่างหยาทุกอย่างกลางทุกอย่างละเอียด ไม่ชัดอย่างกลางไม่ชัดอย่างไม่ชัดอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นทั้งสามระดับเลยทั้งมีทั้งสามระดับในตัวหนึ่งมีสามระดับสุกก็มีสามระดับคือสุกแบบหยาบๆเช่นกินอาหารอร่อยเผ็ดยิ่งอร่อยเนี่ยใช่ไหมฟังดนตรีก็เป็นดนตรีแบบเรียว่าเล่าใจ เนยสุกแบบยาบยาบอาหารก็แบบส้มตำเผ็ดร้อนสนุกกินแล้วอร่อยนี่ก็สุกแบบยาบยาบใช่ไหมเออถ้ากินแล้วหวานหวานเย็นเยน็ยนกินแล้วเรียกว่าสบายๆเนี่ยสุกแบบและเอียดใช่ไหมถ้สุกแบบกลางๆก็กินขนมจีนกินก๋วยเตี๋ยวสบายๆ <laughs> อันนี้ต้องหาภาพที่มันเป็นรูปธรรมก่อนนะไม่งั้นเวลาไปนนามาทํามันเทียบไม่ออกมันเทียบไม่ออกอ่า เพราะฉะนั้นในส่วนที่อั น, นี้อทุกขมสุโคนาคือไม่ชัดเนี่ยมันก็ควรจะเป็นกลางกลามือควรจะเป็นกลางกลางอันนี้ละเอียดเพราะฉะนั้นก็เวทนาทั้งสคือสุขเวทนาเป็นกามาวิสวะทุกเวทนาเป็นภวะสวาอทุกขมสุขเวทนาก็เป็นอวิชชาสวะเพราะฉะนั้นถ้าจะทําลายทุกทั้งหมดก็ควรที่จะไปทําลายอาวิชชาตัวเดียว วิชาตัวเดียวมันตัวนี้ก็จะคุมทั้งหมดแต่ถ้าจะทำลายาวิชาเราควรจะเอาตัวรู้แบบไหนรู้ก็มี3ามรู้รู้แบบหยาบหยารู้แบบกลางรู้แบบละเอียดวิชาแบบกลางวิชาแบบหยาบและวิชาแบบละเอียด mm hmm. เช่นอะไรวิชาแบบหยาบก่อน วิชาแบบหยาบคือวิชาที่รู้ภายนอกรู้ภายนอกรู้กายวิชารู้กายรู้แบบหยาบๆยาบพอไปรู้เวทนารู้สึกในกายความรู้เป็นกลางๆงวิชาเป็นกลางกลงพอไปรู้จิตและอารมณ์วิชาละเอียด ใช่ไหมเพราะนั้นเรามาเรียนรู้จากวิชาหยาบหยาบก่อนคือรู้กันทุกกันนั่งการย่างการเดินให้ทันหยาบหสิ่งหยาบๆยานี่เสก่อนถ้าความรู้ของเราแม้แต่อาการหยาบหยาริงรู้ไม่ทันอาการกลางกก็ไม่สามารถจะรู้ทันได้อาการกลางกางยังรู้ไม่ทันก็จะไปรู้แบบละเอียดไม่ได้เพราะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าทําไมไปสอนดูใจเลยทํามมันยากก็เพราะหยาบกับกลางเรายังไม่คล่องเลยอ่ะยังไม่ชํานาญเลยได้ไปดูละเอียดไปดูใจมันจะู้ได้ไงมันละเอียดเกินไป ใช่ไหมมันก็เรียนจากห ย, ยาบๆไปก่อนเพราะนั้นฐานหลวงพเทียนเป็นฐานที่ว่าเริ่มจากหยาบกลางแล้วไปสู่ละเอียดให้รู้รูปนามใช่ก่อนรูกายกับเวทนานี้เดินให้มันรู้ทั้งนั้นแหละถ้าเป็นตามข้าวก็ะําจนกระทั่งมันกระท้อเปลี่ยวออทุกเปียกตําอย่างงั้นแหละตำแล้วมาล่อนเอาม่มีเปลือกอีกกระตำอีกวันนี้ตำได้กี่ครกแล้วเนะี่ย <c oughs> ตำเวทนามันหยาบตำเวทนานะให้ละเอียด คือไอเวทนาละเอียดก็ไปจากเวทนาหยาบนั่นแหละไอแป้งเนี่ยมันก็มาจากเข้าเปลือกนั่นแหละพอตีเข้าเปลือกให้เป็นข้อสารใช่ก่อนแล้วตีข้อสาร์มาเป็นเข้าแช่เป็นข้าวข้าแป้งามันก็ต้องตํา ม, มาจากตรงนู่นใช่ไหมตำแล้วไม่ใช่ว่าจะละเอียดเลยนะต้องมาล่อนเอาส่วนละเอียดเอาหยาบมาตำมาอีกพอตาเสร็จแล้วมาร่อนเอาหยาบออกเอาละเอียดไว้เอาตําอีกซ้ำๆอย่างนั้นนะ่ะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องตำแล้วใช้ไม่พาใช้อะไร ใช้โม่เลย oh, <laughs> ใช้โม่เป็นแป้งออกมาะฉะนั้นอิเลดก็เหมือนกัน <Okay. S 1> เราจะทำทั้งส่วนที่หยาบเนี่ย <Okay. S 1> วิชาแบบหยาบเคยรู้รูปนามวิชาแบบกลางๆเคยรู้นามรูป <Okay. S 1> วิชาแบบละเอียดก็ไปรู้แต่นามอย่างเดียวช <Okay. S 1> ักงงมั้ยเนี่ยฮะ <laughs> รู้หยาบๆคือรู้รูปนามเนี่ยรูปกายรู้เวทนาเนี่ยรูปนามกายความรู้สึกความรู้สึกที่เป็นกายกับเวทนาเนี่ยเป็นรูปนามใช่ไหมพอไปรู้นามรูปก็คือไปรู้ความคิดที่มันเกิดขึ้นในใจที่มันเป็นเรื่องเวลาก็เรื่องนามรูปจดสิครั้งก็ไม่จําไม่ยายเพราะอันนี้มันเป็นวิชาปฏิบัติไม่ใช่วิชาไมาจํา มัพูดนี่ไม่ใช่ให้จนะงงํานะก็ <ขอ S 2> ถ, ถ้างงมันต้องถ้าไปจําเนี่ยมันต้องงงจะไปทําเอาไปทําเอาไม่มีหลักจํา <c oughs> จำใ <c oughs> บเรานี่ไม่ใช่มนานั่งเรียนกันแบบนี้แล้วแต่พูดให้ฟังว่าไอความรู้สึกตัวสําคัญเท่านั้นเอง <c oughs> สําคัญต้องไปรู้สึกตัวเยอะมานั่งง่วงไปจําวันไม่ได้เขาบอกแล้วมาสายไปเยอะไหมรู้อย่างนี้ฉันมาแต่สาวเล้วงี้ยนะอ่า เอาละทีนี้มาดูต่อไปว่าเราจะทําอวิชชาให้หมดได้ไงต้องพัฒนาตัวอวิชชาให้เป็นอะไรตัววิชาให้เป็นตัวอวิชาให้เป็นเป็นวิชาแต่วิชานี่มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็ว่ามาวันนั้นตั้งสิอย่างใช่ไหมวิชาจะเกิดได้เพราะหนึ่งต้องมีผู้รู้มาบอก เรียกว่าการียมิตรใช่ไห ม, ไหมสอบอกแล้วต้องให้บอกเรื่อง3เรื่องเท่านั้นเรื่องอื่นไม่ใช่3เรื่องนั่นได้แก่อะไรหนึ่งบอกให้เราฟังให้เป็น2บอกให้เราคิดให้เป็นสบอกให้เราทําให้เป็นฟังเป็นทําคิดเป็นแล้วก็คิดเป็นฟังเป็นคิดเป็นแล้วก็ทำเป็น <c oughs> ก็คือปัญญา3ประการใช่ไหมเดี๋ยวดีเขามาเป็นปัญญาการศึกษาสมัยใหม่ไง มันก็มาจากคําพูดนี่แหละทีนี้เมื่อเราวิชามันจะเกิดหนึ่งอาศัยครูมาบอกสองครูบอกแล้วต้องทําเป็นคิดเป็นแล้วก็ฟังเป็นครูบอกถ้าฟังเป็นคิดเป็นทําเป็นแล้วมันก็จะเกิดเชื่อขึ้นมาเชื่อแล้วก็คือศรัทธาใช่ไหมก็ได้คิดก็คือได้สติสมิยะพอได้คิดสติสมิยะก็คิดเป็นแล้วทีนี้ พอคิดเป็นก็รู้สึกว่าคิดอย่างระมัดระวังเกิดอยู่ในส่วนวัฏจักรพอคิดอย่างระมัดระวังแล้วมันก็ต้องอ่าสํารวมคิดอย่างละเอียดคิดอย่างลึกซึ้งเกิดการระมัดระวังกายวาจาใจขึ้นมาโอ้เมื่อก่อนเราทาผิดพลาดไปเยอะเนาะเพราะว่าทําไปโดยไม่คิดพูดไปโดยไม่คิดแล้วคิดออกมาโดยไม่พิจารณาก็ทําให้พูดผิดทําผิดคิดผิดก็เกิดอาการเป็นทุกข์ ต่อหลังจากที่เราคิดละเอียดพิจารณาละเอียดแล้วก็เกิดทําเกิดการระมัดระวังก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดนิสสัมมากรณังสโยิขึ้นมาก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดมีการพิจารณาปับ๊บเมื่อมีการสํารวมระวังก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดกายวาิจาัก็เริ่มถูกต้องขึ้นใช่ไหมก็เป็นสุจริสากายสุจริฏิวิชีสุจิมโนสุจิเมื่อพูดก็ถูกต้องมากขึ้นทําก็ถูกต้องมากขึ้นคิดก็ถูกต้องมากขึ้น เมื่อพูดทำคิดถูกต้องแล้วเหมาะที่จะต้องเจริญสติปัญสีอย่างที่เราเรีย น, นเงนี่ยแต่ท่านที่เรายังพูดยังผิดคิดยังผิดทํายังผิดแต่ก็เรียนไว้ก่อนก็แล้วกันเผื่อทาได้เรียนรู้ไว้ก่อนก็แล้วกันมาเอาทีละอย่างคงไม่ทันแน่เหมือนันแต่เพราะกระโถดจิสุข ง, งามจะไม่แล้วน ะ, ะเมื่อเจริญสติปัญานได้ถูกต้องก็เกิดเป็นสติสัมโพชฌงถ้าสติปัญานไม้ถูกต้อง เป็นสติสามพุทชงไม่ได้คือหมายความว่าสติที่ก่อให้เกิดการตื่นรู้ได้เมื่อสติไปนั่งเงาแง่งไม่ได้ไม่เป็นสติตื่นรู้เป็นสติหลับสติหลับนี่ไม่เอาต้องเป็นสติสามพุทชงคือเป็นสติตื่นรู้เพราะสติตื่นรู้แล้วมันก็เกิดเห็นธรรมเห็นอะไรเห็นกายทํางานตลอดเวลาเห็นกายทํางานด้วยลักษณะไหนเห็นกายทํางานตามกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นใจทําตามกฎของความพอใจไม่พอยใจแล้วก็ยังไม่แน่เห็นอันนี้จังทุกขรังหน้าตาขึ้นมาแล้วก็พ่อไปเห็นตัวธรรมวิจยะเป็นธรรมวิจยะพอเห็นอย่างนี้เพ่อก็ทําความเพียรสนุกแล้วใช่ไหมเดินสนุกเพราะมันรู้แล้วนี่เดินสนุกเป็นวิริยะสามพจนชงควบใจควบโบกใจมันนำลูอ่าเป็นนําลูกโอ้ยางนี่ก้าวหน้าเร็วนะไปได้ไวกว่าเพื่อนเล ถามถูกเป๊เปเะๆเร็วงั้นเอามาแน่นนนใจพอเดี๋ยวพชทชงเจดนะเมื่อเราพยายามถูกพยายามไงพยายามวิทยาสัมโพชงเป็นสัมมาวายามะในมรรคในองค์8สัมพันธ์กันในตัวที่เป็นสัมมาวมายามะหรือเป็นวิทยาสัมโพชงมีอยู่สอย่างหนึ่งนี่วอรตัวไหนที่มันมันมาบ่อยต้องระวังตัวนั้น มาบ่อยมาเร็วต้องระวังตัวนั้นเรารู้ว่าจุดอ่อนตัวไหนความคิดใช่ไหมงุนหงิดความง่วงฟุง้งซ<อ>่านสงสัยเนี่ยตัวไหนที่เป็นจุดอ่อนของเรา<อ>มันจะต้องมีจุดได้จุดหนึ่งห้าจุดเนี่ยเราก็ระวังตัวนั้นระวังความง่วงใช่ไหม<อ>เราก็ดูว่าความง่วงมันเกิดจากอะไรไอ้การคอยระมัดระวังนี้ก็เรียกว่าสังวรประทานเออเรามัาระวังเรามันก็ยังไม่พอฉันก็ง่วงจุดได้ อฉันก็ท่านี่ฉันเรามาตรองฟังแล้วมันก mm ็ง hmm. ่วงจังเละต้องรีบตัดทันทีต้องรีบรู้ทันทีแล้วประหารมันทันทีควม่วงเกิดมาจากนันที่นันทีเหมือนกันอ่าเพราะว่ามันเอนจอยอ่าเราเอนจอยไปเอนจอยกับความสุขเ่านั่งเรานั่งสบายสักพักก็เอ็นจอยใช่ไหมเราไปเอ็นจอยมันเพลิงเป็นนันทีแล้วใช่ไหมมันก็อ่ามูหามาแล้วเราซี่แลดีหนี่ทีนะมาแล้ว ทีนี้ทีนั้นพรกซักพักเมื่อเกิดภาพฝันแล้วทีนี้นิมิตต่างๆขึ้นมาเป็นอุทัดจั่งพราะตื่นขึ้นมาเจยเลยเลยไันได้จืดมาเย เ, ย, เยไม่แน่ใจกูทาสูงหรือทผิดกันเนี่ย <c oughs> ก็เป็นอยาวนก็อยู่อย่างนี้อัอนนี้ก็จะเป็นเราไม่ได้ตัดเพราะเราตัดแต่ในนทีปั๊เป็นประหานประธานใช่ไพอปราประธานปั๊บก็ตัวตื่นรู้เนี่ยสคัญเข้ามาทาตัวตืนให้ชัดไว้เสมอพอตื่นรู้ชัด ก็ทําให้กายใจเบาเป็นปีติสัมพุทธชง<ะ>พอเธอตื่นรู้ปั๊บเนี่ยมันมันความคิดไม่เข้ามายุ่งจิตแล้วพราะตัวตื่นรู้มันมันคลองจิตอยู่ใช่ไหมตัวนิวร์ต่างๆก็หายไปเพราะนิวร์ดับปั๊บตัวปิติเกิดพอปีติเกิดปับ๊บอ๋อเกิดความเบาสบายชุ่มฉ่าชุ่มฉ่ำเยือกเย็นเป็ น, นปสัสสธิไตั ด, ตดความคิดเหรอ เอาไปตันันที่เงีความเพลิน เ, เอ อ, นนนเอไม่ใช่ น, ะ น, นั่งแล้วไปเ่วงเลยไม่ใช่นะมาตงั่งาสักพักเสียก่อนไอ้สักพักระหว่างนั้นแหละมันเพลินนะ่ะเ อ, อนั่งแล้วไม่ใช่ จ, ะจะ่วงไม่ใช่นั่งแล้วมันจะต้องเอนจอยกับความ่วงเสียก่อนเออเอนจอยความสุข เ, เพราะเอนจอยความสุขมันจะเป็นความห่วงเขาก็ตัดเอ j นจอยตัวนั้นนะ่ะคัทส์ออฟ o ด o ะรูทออฟเอ็ We talk about how to cut off the root of d u s i n e s s You cut out some cut from enjoyment, so you need to cut the enjoyment. Don't enjoy with anything. <laughs> Don't enjoy with your uh, calmness. Don't enjoy with your uh, happiness. Just uh, observe in, let them go, and try to arouse and awake all the time. That is uh, keep right the rapture or piti or b r i g e Oh, not right. No, piti. We are r i g h บริสิมันปัสสถินะเพราะนั้นปีติมันน่าจะใช้อีกศัพท์นึงอิ่มใจพอใจดีไลท์ดีไลท์ดีไลท์ไม่ไม่ดีบริสโฟวีชุดปัสสถีความเยือกเย็นความสงบเยือกเย็นชุ่มฉ่ำเหมือนฟ้าหลังฝนใจรู้สึกชุ่มฉ่ำเลยนะดี e ลท์บริส์เอ n j o y m e n t S <S Enjoy attachment enjoyment attachment the so you cut o the enjoyment ดูดซื้อคั e อะคัม you overcome it ดังนั้นเมื่อบลิสมาแล้วจิตก็ตั้งมั่นใช่ไหมก็เป็นสุขสุขะสัมโพชฌงค์เมื่อสุขเกิดอิ่มใจสบายใจก็จิตก็ตั้งมั่นเป็นอุเบขาเป็นอุเบขาสัมโพชฌงค์ตัวนี้เป็นเฉยมองละปัญญาเกิดเพราะนั้น ปัญญาในผู้ในสามผู้ช ม, มจะมีอยู่ในธรรม毗ียะขูเปขาเพราะว่าตัวธรรมวิยะเป็นเหตุต้นเหตุใกล้ใช่ไหมแต่อุเปขาเป็นผลถ้ามันไม่เรียงไปจากธ ร, รมมิียะแล้วอุเปขามันก็สามผู้ชมก็ไม่เกิดก็นั่นแหละสติปัฏฐาน4ี่โพธชงเจ็ดอริมัคคือองแปดวิชาถึงจะมาวิชาของแท้เลยนิดหนึ่ง ตอนแรกๆเนี่ยอวิชาตัวน้นอยๆไปก่อนก็เลยกันวิชาทีละนิดรู้ทีละหน่อยไปเอาตัววิชาตัวเล็กๆนี่ก่อนก่อนที่จะเรียนวิชาใหญ่ต้นไม้ก็มีหย่ๆได้ผมก็อาศัยรากใช่ไหมอาศัยหลายๆรากมีต้นเดียวอันนี้ก็เหมือนกันตัววิชามันเป็นเหมือนต้นไม้ใช่ไหมตัววิชาเล็กวิชาน้อยก็เหมือนตัวรู้ทีลนี้ทีนี้ๆๆแบบนี้เก็บไปเรื่อยๆรากปลอยมันนะดู้ไหมนะรากไผ่กอหนึ่งมันมีนมกี่รากหมักต้นหมากต้นมะพร้าวต้นหนึ่งมันมีกี่รากนะ่ยโอ้โหรากมัน What your เป็น <No. S 1> เป็นอัน countable อะนับไม่ได้เลยแหละนะเพราะฉะนั้นตัววิชาก่อนที่จะเป็นวิชาใหญ่ก็ต้องให้มันเป็นวิชาเล็กๆน้อยไปก่อนเก็บไปเรื่อยเก็บตัวรู้ไปเรื่อยจับก็รู้ก้าวก็รู้หยิบก็รู้รู้ไปเรื่อยไม่รู้อ่ะตั้งใหม่ไม่รู้ก็ตั้งใหม่มหมพับตาวันนี้พับตากี่ครั้งใหญ่พับตากี่ครั้ง วันนี้วันนี้ต้องต้นเช้าสอครั้งค่ะไปไปลงน้นมาทีเขาไม่เจอพอดีไม่อันนั้นง่วงไม่ได้ถามว่าง่วงกี่ครั้งถามว่าตาพับขึ้นพับลงในกี่ครั้งวันนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะอันนี้ก็เรื่ออาสงไข่คือนับไม่ได้เออเสียอสงไขเขาขว่าเสียอาสงไข่แสนกลับไม่ใช่เสียอาสงไขยสามกลับ แต่ภาษามันผิดไปสี่อสงไขยแสนกับสี่อาสงไขยคือนับไม่ได้สี่อย่างยืนก็นับไม่ได้วันหนึ่งยืนกี่ครั้งนั่งก็นับไม่ได้กว่านั่งกี่ครั้งดเดินก็นับไม่ได้เดินกี่ครั้งเ <ง PAL S 1> อนอนก็ไม่รู้นอนกี่ครั้งนี่อาสงไขยสี่อสงไขยแค่นี้เองเออผมโอ้สียอาสงไขยนับไม่ได้พวกนะ่ะแ ส, ส, ไไมสนมาหากับมันเกินไปใครจะไปรู้ได้เออนี่ยสี่สงไขยอสงไขยไปวันนับไม่ได้อันเคาเทปู พับตาวันกี่ครั้งนับได้ไหมหายใจวันกี่ครั้งนับไม่ได้มันเอาเข้อที่บนนี้คือเสียสมแข็งสามกลับคือกลับกายเ <c oughs> สียกับวาจาแค่ <c oughs> กับใจแค่นั้นเองออเออแต่ภาษามันพูดไปผิดเสียสมแข็งขแสนกับแสนกันโอ้ว้าวไปภาษาได้ดวงใจเห็นทํำได้ยังเดีวนี้ ยังเลยอ๋อไม่อย่าไปคิดว่าเยอะได้คิดเฉพาะที่พูดตอนเนี้เข้าใจได้เข้าใจเอาแค่สี่สุวนไให้มันเป็นสงไข่ซะให้มันนับได้เวันนี้รู้กี่ครั้งอย่างกี้ครั้งให้มันนับได้สี่สี่อาศุขัยสามกับกายกับวาจากับใจเปลี่ยนกายเสื่อมัยอย่าให้ทําเหมือนเดิมอ พูดก็จะให้พูดเหมือนเดิมคิดก็จะให้คิดเหมือนเดิมไ อ, อสิ่งที่มันคิดสิ่งใหม่ๆที่มันเปลี่ยนแล้วคิดด้ยวยความรู้ตัวทําด้วยความรู้ตัวแล้วก็พูดด้ยวยความรู้ตัวแต่สมัยก่อนคิดก็ไม่รู้ตัวพูดก็ไม่รู้ตัวทํายิ่งไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมมันกลับไม่ได้มันไหลไปเรื่อยๆไปตําเป็นกระแสว่าตัดสงสารไปพอได้สติพั๊มันกลับเขาเรียกว่าโสตาปัณะทวนกระแส แสนสงไข่เฮนนั่นไงแสนสงไแสนมหากับมหาศาลนั่นไงเยอะบทใหญ่เยอบทเยอะเป็นแสนแสนในวันหนึ่งเนาะตามไม่ทันนะอาจารย์ท่านไปก่อนเราแล้วเพราะฉะนั้นเปลี่ยนใช่นะมเขาเปลี่ยนใจซะอย่าไปไหลตามความคิด เปลี่ยนใจสช่ไหม่ให้รู้ทันความคิดตรงนี้เองเขาเรียกว่าทวนกระแสรหรือว่าตกกระแสถ้าคนไห น, นกระแสรู้ไงเขาเรียกว่าคนไหนที่อยู่ในกระแสตัวรู้แล้วก็เรียกโศตาปณะนะี่โศดาบันโศตาแปลว่ากระแ ส, สาอาปณะแปลว่าสัมผัสกระแสแล้วกระแสรูร้ถ้าจิตมาอยู่ในกระแสรูร้แค่ยีเซแค่นั้นนะพระโสดาบันน่ยไม่ใช่ร้อยเปร์ะว่าหันอยู่ในกระแสรู้ร้อ พระสกิทาคามีอยู่ในกระแสรู้50อร์ซนาคามีอยู่ในกระแสรู้ถึง80เปอร์เซ็นต์ก็มีอยู่แล้ววิจิตรฉามีงงอยู่สมด็วันยังงงอยู่ก็มีสมด็จวันยังอ่ารู้แต่ว่างงอยู่แต่ก็รู้ทันนะแต่ถ้าไม่ใส่รู้ไม่ทันงงก็รู้ไม่ทันหรอกแต่พระสมด็จันรู้ทันว่างงเ้ยฉันงงนะบอกตรงๆันงงนะก็ จะละได้ก็คือหนึ่งรู้ได้หนึ่งอะไรสักยัตทิฏฐิใช่ไหมรู้ตั ว, ตวรู้ตัวแล้วไม่ถือเนืถือตัวละสองวิชิกิจฉายังสงสัยอยู่แต่ก็รู้ว่าสงสัยสามสีละพระจะประมาทคือยังติดดีติดชั่วอยู่ก็รู้ว่าติดหากรู้แต่ว่าถ้าไม่ใช่โสดาบันเนี่ยมันไม่รู้ไง<อ>สงสัยก็ไม่รู้ ติดดีติดชั่วก็ไม่รู้ถือเนื้อถือตัวก็ไม่รู้แต่ถ้าเรารู้เนี่มันลดได้แต่ถ้าไม่รู้เนมันลดไม่ได้เลยแต่ละค่าโทรศัพท์มูฮาพระโสดา บ, บันยังอยู่นะแต่เพียงแต่ลดได้3อย่างเนี่ยอันดับแรกเนี่ยลดเรื่องความถือเนื้อถือตัวได้ละเรื่องอยังละไม่ได้ทันอยู่ที่ว่าโสดาวันมีสมระดับเนยโสดา บ, บันรับระดับที่หนึ่งเนี่ยละได้เกิดได้ครั้งเดียวละได้เลย ถ้าโสดาบันชั้นที่สองเกิดอีกสองสาครั้งกูลังกูแลนึงถึงสองสครั้งถึงจะละได้สงสัยถึสองสหนงงสองสมหนถึงจะละอ๋อลู่ละแล้วโวสดาบันชั้นต่าที่สุดเจ็ดเจ็ดชาติเจ็ด <7 S 2> ครั้งออเออเจ็ดครั้งนึกเจ็ดครั้งเจ็ดหนถึงจะรู้ได้คิดในเจ็ดเจนาทีถึงจะละได้เขากระทบทีนึงแต่พระโสดาบันชั้นหนึ่งนี่เหมือนคล้ายๆกับพรัฒนาคามีเลยนะ แต่ว่าองค์ทำรายละเอียดมันต่างกันเท่านั้นเองสามขั้นคือเอกพิชีโกลกกะสตักสตักตุปรมะไงเอกพิชีชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นเองสดาบันก็แบ่งเป็นสามชั้นเหมือนกันเพราะว่าถือว่าเป็นโสดามักอยู่พรานั้นเองเราก็เข้าใจเรื่องนี้อย่าไปพูดถึงเรื่องโสดาบันเลยนสเรื่องไม่มีทุกหนึวันเดี๋ยวอยากจะได้โสดาบันนี่ก โอเคไม่มีทุกก็พอแล้วอเอ๊ะมันหมดเวลาแล้วนี่หนอหมดเวลาแล้วขอเวลาเอามีอะไรสักถามห้านาทีมีไหมไม่มีนะไม่มีพอนะก็เรื่องเวลาเราไปเก็บไปเก็บอารมณ์นะก็หนึ่งพยายามอย่าไปลุกไปข้างนอกบ่อย สองถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ไปถามไม่ไปคุยกันในเรื่องอะไรต่างๆแต่เราก็มาห้ามก็ไม่ได้ในเรื่องง่วงเรื่องเหงาเรื่องนิวรณ์ต่างๆนะเพียงแต่ให้รู้ให้ไวนั่นเองถ้าหากว่ า, ามาสังเกตว่าไม่รู้ด้วยตัวเองเอามากา็ชวนไปยกหินเท่านั้นแหละเราทีแรกว่า <c oughs> จะไม่ให้ยกหินอย่าบอกให้ไปช่วยจามประสานไอ้ถากหญ้ายกเตียง พอดีมีคนช่วยแล้วไม่ได้บอกไปนะอาศัสมคายสกลับนี่มีอะไรนเดินเดินยืนยืนเดินนั่งนอนว่ากันบอกแล้วไม่ต้องจําให้ไปทำเอาเลยมัลืมไปแล้วมันลืมไปเลยยืนเดินเนี่ยลืมอหรลืมเดินเหรอไม่ลืมอนั่งก็ไม่ลืมใช่ไหมนอนก็ไม่ลืมแต่นับไม่ได้ก็นั่นเองมันนับเป็นอสงไยสคายยืนเดินนั่งนอนของแท้มันไม่ต้องจํามันไม่ก็ต้องลืมมันมีอยู่แล้ว แต่ว่ายืนๆนของตัวหนังสือนมันจ ม, มันลืมไม่ต้องไปโจดมันเออเอาเราไปพ <c oughs> อกล่าวภาพพร้อมกัน <c oughs> หรือเดี๋ยวอาจารย์ประสันท่านมีอะไรจะแช่งเขานิมนต์ข้าอาจารย์ประสันครับ